สำหรับวันนี้เราได้สวดเรื่องของเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเพราะว่าเกี่ยวกับสุขทุกข์ของเราโดยตรงก็จึงอยากจะทาความเข้าใจให้ชัดเจนเพราะว่าเราจะได้ศึกษาทุกอย่างที่ปรากฏทองศึกษา โดยเฉพาะเรื่องของเวทนาเนี่ยมันเป็นเสมือนสะพานเชื่อมต่อระหว่างรูปกับนามก็ด้วยกันแต่ในขัน5เนี่ยเราจะเห็นว่าขึ้นดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเข้าเขตดดนของสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของนามมีเวทนาตัวเดียวที่เป็นได้ทั้งรูปทั้งนามหมายความเวทนาจะเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้ ถ้าเกี่ยวข้องด้วยกายเนี่เวทนาก็เป็นรูปถ้าเกี่ยวข้องด้วยใจเวทนาก็เป็นนามเพราะฉะนั้นเวทนาเป็นได้ทั้งรูปนามและนามรูปซึ่งในรูปเองก็เป็นแต่รูปนามสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณก็เป็นนามและเป็นนามรูปเพราะนั้นเองก็จึงอยากจะให้เข้าใจเรื่องนี้เพราะว่ามันมีบทบาทที่สําคัญในการปฏิบททัติธรรม เช่นในโพธิราชกุมารสูตรเนี่ยท่านบอกว่าสมัยหนึ่งพระราชกุมารกับโพธิราชพระราชนครสของพระเจ้าประเทีิโกศลเนี่ยเข้าไปถามพุทธองค์ว่าข้าพระองค์เป็นคนปกครองบ้านปกครองเมืองไม่มีเวลาเหมือนพระเหมือนวันศุกร์วันศีกาจะปฏิบัติธรรมของพุทธองค์ได้ผลไหม โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาและความเพียรมากเนี่ยจะทำงไงให้ได้ผลเร็วมีไหมพระองค์ก็ตรัสว่ามีในธรรมวินัยของเราตรถาคตได้แสดงธรรมเอาไว้ที่เหมาะสมกับคนทุกชนชั้นอาชีพแต่ว่ามีธรรมอยู่5ประการที่ปฏิบัติแล้วได้ผลไวก็คือประการที่1ต้องมีศรัทธาเพื่อที่จะรู้จัก ตัวเองเป็นหลักประการที่สองมีความเพียรที่ต่อเนื่องประการที่สามมีเวทนาเบอบ า, างนี่ตัวนี้เกี่ยวข้องโดยตรงประการที่สี่เป็นคนซื่อคนตรงไปตรงมาประการที่ห้าเป็นคนมีสติสัมปชัญญะปกติ ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนวิกลจริตผิดแปกปกติสามารถที่จะทําให้เห็นการเกิดดับของจิตได้ถ้าผู้ใดก็ตามมีคุณสมบัติ5ประการนี้บางทีปฏิบัติเช้ารู้เย็นหรือปฏิบัติเย็นรู้เช้าก็มีนะเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบที่ปฏิบัติทําได้เข้าถึงทำํำได้เร็วเนี่ยมันมี อ, องค์ประกอบหนึ่งที่ว่ามีเวทนาบาบางทําไมท่านจึงเน้นเวทนา เวทนามันเป็นส่วนเชื่อมความรู้สึกกายเข้าสู่จิตส่วนเชื่อมความรู้สึกจิตเข้าสู่กายมันจึงเป็นเสมือนสะพานธรรมคือตัวเวทนาเนี่ยที่เราสวดวันนี้ <c oughs> นั้นเวลาเราสวดเนี่ยท่านจึงแยกแยะไว้ละเอียดมากแต่ตอนสุดท้ายที่สวดวนนี้ดูเหมือนจะผิดนะนิรามิสังอะตุกะมาสุขังเวทนางเวทียะมาโน นิรามิสรัตุขามสุขังเวทนาเวทยามิติประชานาติย่อมรู้ชัดว่าเราสวยอุตคมสุขเวทนาไม่เจืออมิตรแต่ในนั้นรู้สึกอยู่มีสวนว่าเป็นเจืออมิตรคือไม่เจืออมิตร น, นี่นตรงนั้นเข้าไปดูทีหนึ่งถ้าหากว่าพิมพ์ผิดก็คงจะต้องแก้นะก็เท่านี้ในบทสวดที่เราสวดมาก็คือความรู้สึกที่เป็นเวทนามีสมประเภท คือความรู้สึกสบายเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่สบายเรียกว่าทุกขเวทนาบางครั้งมันอยู่กลางๆลางจะว่าสบายก็ไม่ใช่จะไม่สบายก็ไม่เชิงเขาเรียกทุกขมาสุขเวทนามันมีอยู่สมตัวแต่ถ้าบอกว่าสุขทุกและไม่สุขไม่ทุกบางครั้งมันก็ไอใสเยื่อเกิดบางครั้งมันก็เกิดโดยไม่ได้ใสเหยื่อที่เราส่วนมาเมื่อกี้คําว่าเยื่อนี่ใช้คำว่าอามิต ถ้าไม่ใช่เหยือ่อนั้นใช้คำว่านิรามิตรเช่นอะไรเช่นว่าความทุกข์ความสุขเนี่ยบางครั้งอาศัยรูปเสียงกิโิสัมผัสเป็นเหตุให้เกิดความสุขนี่เรียกว่าความสุขเคารพนาอาศัยเหยือ่อบางครั้งความสุขความสบายเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกิโลยสัมผัสก็เกิดขึ้นได้เช่นความสบายใจนะเรารู้สึกสบายโล่งโปร่งขึ้นมาในใจโดยที่ไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกิโลสัมผัส ก็สบายใจมีความสุขได้ตรงนี้เขาเรียกว่าความสุขนี้ไม่ต้องอาศัยเหยื่อ <c oughs> ความทุกข์ก็เหมือนกันบางทีความทุกข์ใจเนี่ยอาศัยที่เราได้ไปเห็นได้ไปได้ยินริมรสสัมผัสอารมณ์ที่ไม่ดีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหยื่อเป็นตัวกระตุน้นเช่นกินอาหารไม่อร่อยหรือว่าดูภาพไม่ถูกตาฟังเสียงไม่เพราะหูสัมผัสร้อนอบอ้าว อารมณ์ไม่ดีพวกนี้ความทุกข์ก็เกิดเพราะอาศัยเหยื่อเป็นเหตุอาศัยวัตถุภายนอกเป็นเหตุแต่บางครั้งความทุกข์ใจลึกๆความเหงาความเศร้าความเซ็งเกิดขึ้นโดยไม่ได้เห็นรูปเสียงกิริที่ยัไม่น่าพอใจเลยแต่มันก็เกิดความทุกข์ลึกๆความทุกข์ชนิดนี้ที่เกิดขึ้นโดยไม่อาศัยเหยื่อเขเรยนิรา ม, มินะบางครั้งความรู้สึกกลางๆเนี่ยที่ไม่สุขไม่ทุกข์อาศัยเหยื่อก็มีเห็นเฉย ไยินเฉยๆแต่ว่าก็ไม่รู้สึกสุขทุกข์อย่างนี้ก็มีบางครั้งความรู้สึกที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกกระตุ้นมันก็เกิดขึ้นได้เฉยๆวางเฉยแต่วางเฉยที่ไม่สุขไม่ทุกข์มันได้หมายถึงอุเบกขานีแต่ว่ามันยังไม่ทันตัดสินว่าจะว่าสุขก็ไม่ใช่จะว่าทุกข์ก็ไม่เชิงมันบางๆสุขก็บางๆทุกข์ก็บางๆตัดสินไม่ได้ว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เรียกวทุกขมาสุขนะ อันนี้คือเนื้อเวทนาที่เราสวดมาเมื่อกี้มีความหมายอย่างนี้นะที่เราสวดมายาวๆนะทีนี้ในภาคปฏิบัติเราจะรู้จักเวทนาอย่างไรนะในสติปัฏฐานสูตรท่านวางเวทนาไว้เป็นตัวที่2ตัวที่1ที่เราสวดจบเมื่อวานก็คือการนะดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูอิเดียบที ดูท่าสีดูอาการ3 2ดูร่างกายที่มันสุกลบเป็นกระดูกเป็นสิ่งโสโครกเน่าเปื่อยอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องได้ชำระชะล้างมันตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอสุขะแล้วก็พิจารณาจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าในภาคปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้พิจารณาเป็นส่วนๆแต่พิจารณาถึงอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้น แต่ถ้าเป็นสมถะเนี่ยจับมาพิจารณาเป็นอย่างๆบริกรรมอันนั้นอันนี้เพื่อให้จิตเพ่งตั้งอยู่ในอารมณ์ใด อ, อารมณ์หนึ่งเรียกว่าสมถะแต่เวทนาในฐานะเป็นวิปัสสนาก็คือดูอาการที่มันเกิดขึ้นอย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรแล้วมันดับไปอย่างไรดูแค่นั้นก็คือดูอ น, นิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเช่นความร้อนเกิดขึ้นมันตั้งอยู่อย่างไร และขณะที่มันร้อนเรารู้สึกอย่างไรและความร้อนอันนี้ขณะนี้ก็ความร้อนที่ผ่านไปไม่ขี้มันอันเดียวกันหรือไม่และความร้อนอันนี้กับความร้อนที่จะมาถึงข้างหน้าเป็นอันเดียวกันหรือไม่นี่ให้ดูอย่างนี้ซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีสติไม่มีสมมติยัโดยละเอียดเนี่ยเราก็จะไม่เห็นชัดเจนว่าความรู้สึกไม่สบายเนี่ยกายทำให้เราเกิดความไม่รู้ ความรู้สึกไม่สบายใจได้อย่างไรและความรู้สึกสบายกายทำให้เกิดความรู้สึกสบายใจได้อย่างไรเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่เจริญวิปัสนาเราก็จะเห็นไม่ชัดแล้วก็เหมาเอาว่าเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์เราสบายเราไม่สบายมันมีเราเข้าไปทุกเรื่องแต่ถ้าเราเจริญวิปัสนาแล้วมันไม่มีเรามันมีแต่ความรู้สึกมันมีแต่เวทนาเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราเข้าไปหลง อย่างสมมติรากินอาหารเนี่ยมันก็เป็นเวทนาที่ลิ้นว่าอร่อยเท่านั้นเองเราถึงติดรสอาหารก็ติดเวทนาว่ารู้สึกว่าอร่อยแล้วก็กินได้เยอ ะ, อะเห็นภาพมันรู้สึกชอบเราก็เข้าไปหาได้ยินเสียงคนที่พูดเพราะเราก็าอยากฟังได้อากาศดีแล้วก็อยากอยู่แช่อยู่อย่างนั้นเราติดเวทนาทั้งนั้นก็นโลกติดติดเวทนาแล้วก็ทาให้คนอ่อนแอ เพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะไปยึดไปสแสวงหาแต่สุขเวทนาและสุขเวทนานี้เองจะทำให้คนเราเกิดความทุกขเวทนาตามมานะดังนั้นเองในสมัยครั้งพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งที่เป็นลุงของพระส า, ารีบุตรชื่อว่าทีคานาขะอคิเวสนาโคต ซึ่งก็เป็นเจ้ารัตที่คนหนึ่งเหมือนกันสอนในเรื่องเวทนาว่าสอนว่าเวทนาอันไหนถูกใจเวทนาอันนั้ก็ถูกต้องเวทนานไะหไม่ถูกใจเวทนานั้นรำมันั้นก็ไม่ถูกต้องอต่อเมื่อท่านพระสานนบุตรซึ่งเป็นหนุ่มเนี่ยหนีมาบทกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลานของท่านท่านกล่าวว่าจะให้พระท่านอุปติสสะชื่อเดิมท่านอุปติสสะเป็นผู้ที่จะสืบทอดเจตนาของท่านทีคาณกะ ต่อแต่ว่าท่านพระสานตบุตรอุปติสสะคนหนุ่มเนี่ยเป็นคนฉลาดคงไม่รับอะไรง่ายๆท่านก็ตามหาคนที่ที่จะช่วยท่านได้จนไปพบกับท่านพระอาัชาชิเนี่ยตอนนั้นพุทธเจ้าสอนคนบรรลุธรรมได้หท่านคือบรญจวกีทั้งห้าแล้วก็ส่งออกไปเผยแพรธรรมะคุณลทางนั่นแหละจนกระทั่งพระสาริบุตรไปทางหนึ่งไปทางบ้าน าการะวานมุตคามก็ปรากฏว่าในขณะท่านไปบินเท บ, บาตันเช้าเนี่ยสมัยนั้นนักบวชที่ออกจาริกขออาหารบินเ บ, บาตในอินเดียมีอยู่ทั่วไปนี่ท่านอุปติสระนี่ก็ท่านนั้นเป็นเคลือหัดอยู่ท่านก็เห็นอากาศกิจยาของธรรมศาสตร์ท่านลุปอัสชิเนี่ยน่ารื่มใสเดินสำรวมนิ่มๆระมัดระวังไม่กระดด ก, กระเดกเหมือนนักบวชในสำนักอื่น ท่านก็เลยตามไปติดๆจะเข้าไปถามปัญหาก็กลิงว่าท่านยังไม่พร้อมก็เลยกล่าวว่าท่านไปจะลิกหาหารมาหยุดทที่ตรงไหนก็จะเข้าไปหาตรงนั้นเมื่อท่านพระอาชชีได้บินเทบาต์มาเรียบร้อยแล้วก็พานั่งฉันตามสมุทุมพุ่มไม้แห่งใดแห่งหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จภารกิจแล้วท่านอุปติสาก็เข้าไป <c oughs> ก็ไปถาม ท่านมาจากสำนักไหนใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านสอนทำว่าอย่างไรพระยาชีก็บอกว่าเราเนี่เป็นผู้ใหม่เป็นนวกะอยู่เพิ่งเข้าใจทำเพราะฉะนั้นคงจะให้รายละเอียดอธิบายท่านไม่ได้มากมายดอกท่านอุปติสาวก็บอกไม่เป็นไรท่านพูดหัวข้อย่ อ, ยอๆก็ได้ไม่ต้องลงรายละเอียดท่านพระยาชีก็บอกว่าเยธรรมมาให้ต yeah, at ุปปาเตสั่งให้ดุงตถาคตู เดสันจะโยนิโลโทจะเอวังวาธีมหสมโนแค่นี้เข้าใจได้ดวงายเห็นธรรมเลยโอทำไมง่ายขนาด น, นั้นค น, นสมัยนั้นพอฟังประโยคเดียวได้ไ ด, ดวงายเห็นธรรมได้เป็นพระโส ด, ดาบั น, นมันคาถานี้สำคัญอย่างไรเย่เด๊บขอโทเยธรรมาเหตุภ า, าวะบสิ่งใดสุขสิ่งทุกอย่างในในโลกเนี่ยมันมีเหตุมันถึงเกิด ถ้าไม่มีเหตุมันเกิดไม่มีเหตุมันเกิ ด, มกดไม่ได้แต่ถ้าเขาจะจัดการเรื่องนั้นเราก็ต้องจัดการที่เหตุของมันอ่ะอันนี้อาจารย์เราสอนอย่างนี้เอวังวาทีมหาสัมโนมหาสมณะผู้เป็นอาจารย์ของเราสอนอย่างนี้สอว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเราจะทําให้สิ่งนั้นถิงนั้นดีหรือไม่ดีจัดการที่เหตุทั้งหมดแต่ทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามผลมันก็เป็นไปเองว่างั้นก็ถามพอได้ได้เข้าใจโอาผมเข้าใจแล้ว แล้ตอนนี้อาจารย์ของท่านอยู่ที่ไหนอ๋อนู่นอยู่ที่ป่าอิสิตนาเมลุกตายาวันอยู่ที่อนุปยัมพวันท่าญแยไปอนุปยัมพวันก็าตามไปแต่ว่าก่อนที่จะตามไปก็อดที่ลึกถึงเพื่อนไม่ได้เพื่อนท่านชื่อกลิตะต่อมาก็บทเป็นพระมหาโมคลานะนั่นเองนะแล้วอุปติศต์ออมาก็บทเป็นพระสารีบุตรนั่นเองก็ไปตามเพื่อนท่านเขาไปคุยให้เพื่อนฟังว่าตอนนี้เราเจออาจารย์องค์ใหม่แล้วนะวงงางั้นจะไปพบท่านอยู่ไปด้วยกันไหมเรา เอาอาจารย์เขาสอนว่างไงแล้วก็เอาคาถาที่ตัวเองฟังมาจากพระเจชีเล่าให้ฟังแล้วอธิบายเหตุผลท่านเป็นคนฉลาดเนะาะอธิบายเหตุผลให้ฟังก็ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันนี่ฟังจากเพื่อนเฉยๆนะก็ เ, เ, เลยพากไปขอโบวชจากพระพุทธเจ้าอก็มาตอนไปนั้ไม่ไปเฉยๆ เ, เ, เพราะเขามีเพื่อนเยอะนะทั้งสองหนุ่มเนี่ยอุปติสากุลิตะก็ชวนเพื่อนไปด้วย 250คนเพื่อนฟังธรรมพระพุทธเจ้าขอบทหมดเลยแต่เข้าใจธรรมะแต่สองท่านนี้ยังไม่เข้าใจพระโกริตาลิต่ตมาเป็นพระมหาโมคราณะนี้ก็หลังจากบทแล้วก็ขอไปบำเพ็ญเพียรในป่าเลยไม่ไม่ไกลจากอนุปยามพวันไปปฏิบัติปรากฏว่า วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนี่ยง่ว ง, งทุกวันเนี่ยนอนพิง้นไม้ง่วงจนถึงวันที่หพุทธเจ้าดูแล้วไม่ไห ว, วนัง่ว ง, ง, ง, งทั้งวันเลียวงั้นเพราะเนื่องจากว่าท่านพระสัลยบุตรน่ะท่านเคยเป็นท่านบอกว่าชาติที่แล้วนี่เคยเป็นฤาษีมาหลายชาติสมาธิท่านสูงมากทีนี้พอไปนั่งปฏิบัติท่านก็เข้าสมาธิหลับดูเดียวพุทธเจ้าบอกแบบนี้ใชไม่ได้มันเข้าไปหายละที่เดิมมีู่แล้วก็เลยเข้าไป บอกเนี่ยจะนั่งหลับนี่ยไม่จะได้อะไรนะเวลามันง่วงมามองไปไกลๆนู่นนมันมองดูยอดไม้ใบหญ้านี่พี่มองอยู่ข้างหน้ามองดูไกลๆมันง่วงท่านก็มองไปไกลๆเอามานั่งปฏิบัติภักเอาหลับไปอีกบุรียาเข้าใหมา่ <c oughs> บอกเอา้าลุกไปนู่นไปเอาไปเด็ดดอกหญ้ามามาปั่นหูเล่นว่างนะปลูกประสาหัดดังนั้นเอาไปสักพักนี่นเอาน่วงอีกล้ว เอาไปล้างหน้าว่างั้นลูกไปล้างหน้ า, าล้างหน้าสักพักก็ง่วงอีกแล้วเอ๊จะทําทไงางั้นมองนู่นดูพระอาทิตย์เลยว่างั้นน้องจ้องพระอาทิตย์เลยตามันตื่นหันก็จ้องพระอาทิตย์ได้สักพักหนึ่งก็ง่วงอีกลูกแยาก็ถามว่าเธอจํามูลอะไรได้ไหมที่มันคละ่องปากอ๋อจำได้ท่องวคลองดังดังมันรู้สึกสวดขึ้นมารู้สึกง่วงขึ้นมาสวดดังๆัง <c> ใ <oughs> นที่สุดนั้นก็ แกด้วยอุบายต่างๆพุทิยถาบอกเอา้าถ้างั้นมันง่วงจิกก็นอนสัวันแต่ว่ามีข้อแม้ว่านอนตะแคงขวานะเขาเลยีหายสยามนั่นอย่างงี้ขวานอนบนบนมือของตัวเองเหมือนเดือดีหายสยามอ่ะทีท่านก็นอนนะนอนหลับไปแต่มีข้อแม้ว่าเวลาเวลาตื่นขึ้นมาห้ามนอนอีกนะว่า ง, งั้นท่านกน็หลับไปปรากฏว่าในขณะนอนนี้มันบุก ท่านในอนอย่างนี้ใช่ไหมคนง่วงมันก็วุบหน้าสับพื้นเลยดิตื่นโพรงเลยที่นี้บรรลุธรรม <c oughs> บรรลุธรรมเลยวะนะับรรลุด้วยอุบายแก้ง่วงพระพุทธเจ้าเพียรจริงๆถ้าใช้ทั้งเกือบสิบอย่างนะแก้ภาษาริบุตรภายในเจ็ดวันนะบรรลุธรรมเพระาะใบแก้ง่วงวูบลงไปตื่นขึ้นมาโพรงเลยที่สว่างว่างหมดเลยทั้งโลกเลยทั้งจักรวาลเลยนะเห็นไหมหมายความว่าท่านไปทุบไอสมาธิของฤาษีแตก เพราะว่าทําไมถึงง่วงจัดเพราะว่าคนเรามชอบนั่งสมาธิเวลาสมาธิมันแน่มันมันง่วงจัดใช่ไหมสมาธิมันทับจิตเอาพระพุทธเจ้าใช้วิธีนั่นวิธีนี้ทุบแล้วทุบอีกแตกระเบิดเลยนี่ป้ากุาว่าเป็นคนมีฤทธิ์มากครับภาษาลิบุทเพราะสมาธิท่านเยอะเป็นฤๅษีมาหลายชาติท่านก็เลยเป็นผู้มีฤทธิ์ในเวลาต่อมาแค่เจดวันเองนะแต่ภาษาริบุทฉลาดกว่าเพื่อนเจดวันยังไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะี่ย ทีนี้ได้ถึงวันที่สิบสี่ปรากฏว่าลุงของท่า น, นจําได้ไหมที่พูดมาเมื่อกี้อะทีขานะคะเคลเวสนาโคตตามหาหลานตามาภาษาลิบุตรปรากฏด้านโน้นเขาบอกว่าไปบวชกับสมณะสักยะบุตรโน้นเขาบอกไปก็ตามไปน้องหลานมาเจออยู่ที่นี่ทีนี้ทําไมภาษาริบุตรช้ากว่าเพื่อนเพราะว่าเป็นคนมีปัญญามากคิดมากแล้วก็ไม่ยอมรับง่าย ทีนี้ผู้ทีเจ้าหาอุายอ๋อวันนี้ลุงแกมานะ้ก็ลุงก็มานั่งอยู่ข้างหน้าหน้านั้นก็ น, น่าร้อนแบบนี้นะพระสารีบุตรก็ถวายงานพระภุทธเจ้าอยู่ข้างหลังหน้าร้อนนะทีนี้ก็พระสารีบุตรกับเออท่านผทธเจ้ากับที่คณะเขาสนทนากันว่าเออผมตามมาหาหลานนะนั้นได้ข่าวว่ามาที่นี่ผมมาบวอยู่นี่ท่านมีอะไรสอนเลยสอนท่าน อก็ได้ข่าวว่าท่านก็เป็นเจ้าสํานักเมืองกัน่ในท่นสอนอะไรอ๋อผมก็สอนมาอยากสอนเรื่องมันก็สิ่งไหนที่มันถูกใจมนุษย์อะไสิ่งนั้นถูกต้องหมดท่านไอ้ทุกวันที่มันไม่ถูกใจก็ถือว่าผิดอ้าวทาไมสอนอย่างนั้นเหมือนพิสูจน์ได้ไหมว่าไอ้ความถูกใจมันจะถูกต้องเสมอไปพิสูจน์ได้เอางั้น ท่านพูดมาถูกใจผมก็ถือว่าเป็นเรื่องถูกต้องเอาบางสิ่งบางอย่างมันผิดเดี๋ไปพูดถูกใจไปขัดใจมันก็ต้องไม่ถูกต้องอ๋อก็สอนไปสอนมาเรื่องของเวทนาที่เนี่ยสนใจก็เรื่องเวทนาว่าคนในโลกนี่นะตกเป็นทาตของเวทนาเมื่อตาเห็นรู้สึกชอบก็เป็นสุขเวทนาหูได้ยินรู้สึกชอบเป็นสุขเวทนาจมูดกด้วยกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจนึกคิด ในอารมณ์ที่ดีรู้สึกชอบเป็นสุขกเวทนาแต่ความชอบรู้สึกชอบเนี่ยมันคงมันเที่ยงไหมบอกไม่เที่ยงมีไหมว่าคนจะทําเวลาถูกตาถูกใจเราเสมอไปไม่มีคนที่จะพูดให้ถูกหูเราตลอดเวลามีไหมไม่มีบางครั้งก็พูดขัดใจเราอาหารที่คุณกินมันอร่อยถูกมือไหมมันก็ไม่อร่อยนั้นไม่ถูกใช่ไหมอาหารนั้นถูกอาหารไม่ถูกอาหารนั้นถูกแต่ว่าความรู้สึกของเรามันไม่ถูกใจต่างหากเอานั่นความถูกต้องอยู่ที่ไหนอ่ะ สักไปสักมาติดว่าพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยคนทุกวันก็เลยนับถือลัธทธิของท่านทีฆานขาขะอยู่คือทําแล้วก็ทำให้มันถูกใจถือว่าถูกป้องต้องหมดใครมาขัดใจไม่ได้เนี่ยลัธทธิของทีฆานะขะพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเพียงเวทนามันไม่ใช่สัจธรรมเพราะเวทนามันขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมนะรูปเสียงกินริยสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหยื่อกระตุ้นให้รู้สึก เพราะอันนั้นเป็นสัญชตาตญาณเวทนาเนี่ยกระตุ้นให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยให้รับรถได้ถ้าหากว่าเวทนาตรงนี้มันรับรถนี่ไม่ได้เนี่ยชีวิตเราจะไม่รอดนะเพราะอะไรเพราะว่ารถกระตุ้นให้ลิ้นเรากินอาหารได้มันก็รู้สึกให้อร่อยเพื่อที่จะให้กินได้นะท่านก็พูดถึงด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแต่ละเวลารูปคือสังขาร น, นี้ไม่เที่ยง เวลามันสบายมันก็กินข้าวอร่อเวลาไม่สบายมันก็กินแม่อร่อยแล้วมีใครก็จะมาพูดถูกหูเราตลอดเวลาไม่มีบางครั้งก็ได้ถูกเถียงกันเรื่องที่ไม่ถูกใจกันก็มีเพราะฉะนั้นเป็นเวทนาทั้งหมดคุณจะตัดสินใจว่าเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้เพราะเป็นเพียงเวทนาพอาผ่านไปสู่ใจแต่เวทนานี่มันก็มีว่าอันไหนที่มันไม่ไม่ถูกตามันก็ไม่ถูกใจด้วยอันไหนไม่ถูกลิ้นมันก็ไม่ถูกใจด้วยก็ทําให้ใจเราเป็นทุกข์ เรียกว่าทุกเวทนาและทุกเวทนาอันนี้ก็ก่อให้เกิดความโทสราคะถ้าเราชอบก็เป็นเวทนาก่อให้เกิดราคะถ้าเราไม่ชอบเวทนาก็ก่อโทสะแต่เรายังไม่แน่ใจว่ามันสุขหรือมันทุกเวทนาก็กเกิดเกิดโมหะเนี่ยเวทนาก็เป็นเป็นเป็นเป็นเหตุให้เกิดต้นตอราคะโทสะโมหะด้วยเพราะฉะนั้นเวทนาก็ถ้าประกอบด้วยอวิชชาดันหาวัฏทานเวทนาก็ก่อให้เกิดกิเลส นะถ้าเราตะทาโคดเราสอนเรื่องการมีการกําหนดรู้เวทนาเพราะเวทนานี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกมีการเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลาเพราะเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเวทนาไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งนด้เป็นทุกสิ่งนั้นแตกดับท่านก็ไล่ให้ฟังอย่างนี้แหละเท่านั้นอย่าไปยึดเวทนาเป็นตัวตนไม่ได้เวทนาไม่ใช่ตัวตน แต่ถ้าเรามีอุปทานในเวทนาว่าเป็นสําคัญมันหมายความสุขความทุกข์เป็นเราเป็นเขาเงียบคุณก็ทุกข์ทั้งปีอะถกไปถามมาปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างหลังถวายงานพระข้างหลังนี่เข้าใจทะลุปู่ป่วงเลยอะไรเป็นอะไรพอพระพุทธเจ้าตจบเทศนามีคนบวรลุธรรมสองคนทีฆานขาดที่ถามต่อหน้าพระพุทธเจ้าได้บนเป็นพระโสูดายวันแต่พระสารีบุตรที่ฟัดงานอยู่ข้างหลังได้เป็นพระละอันสิบห้าวัน ธรรมเทศนาการนั้นจึงชื่อว่าเวทนาปริคหาสูตรที่พระสารีบุตรได้บรรลุธรรมเพราะฟังเรื่องเวทนาแต่ปรากฏว่าสารีบุตรเป็นผู้ที่มีปัญญามากกว่าเพื่อนใช่ไหมเป็นธรรมเสนาบดีเพราะกําหนด ร, รู้เวทนาเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เท่าทันเวทนานี่เราจะเกิดปัญญามากมายเลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันเวทนา <c oughs> เวทนาพร้อมที่จะเป็นอะไรพร้อมที่จะเป็นไฟเผาเหล่า ท่านบอกว่าไฟมีคุณลักษณะสองอย่างหนึ่งความร้อนสองแสงสว่างใช่ไหมถ้าเราไปเราไม่รู้จักเวทนาตามความป็นจริงเวทนาเป็นความร้อนเผาเราความร้อนอะไรความร้อนของราคาโาะโทสะในโมหะไฟเป็นไฟขึ้นมาเผาเราแต่ถ้ามีสติสมญาตตามรู้เท่าทันเวทนารู้เวทนาตามความเป็นจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราแตกดับเวทนาเป็นอย่างนั้นเสมอ ปร า, ากฏว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นอะไรมากระทบเราเย็นร้อนอ่อนแข็งเข็งข่งตึงเราไม่สะดุ้งสะเทือนเลยแต่ว่าสติปัญญาของเราไม่มากพอพอไปเจอแดดตอนบ่ายเรายังกระวนกระวายอยู่นะเพราะฉะนั้นเรายังเอาชนะเวทนาไม่ได้แต่ทําให้เวทนาบาบางลงได้เช่นเราไปนั่งในบ้านหลังใหญ่เนี่ยเวทนานอ้อนก็บางลงใช่ไหมเราเขาผ่อนได้นี่เวทนา แต่นั้นเวทนาจึงมีบทบาทสำคัญมากเวทนาทำให้เกิดความโลภสุขเวทนาทำให้เกิดความโลภทุกขเวทนาทำให้เกิดความโกรธทุกขมสุขเวทนาก็ให้เกิดความหลงโลภกูหลงก็มาจากเวทนานั่นเองเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เจริญตัวสติไม่ได้เจริญตัวปัญญาเวทนานั้นเมื่อมันจึงเป็นตัวกลางระหว่างปฏิสุบะ ต, ตั้งแต่อวิชชาจนถ้า อวิชชาก่อเกิดสังขารสังขารก่อเกิดวิญญาณวิญญาณก่อเกิดนามรูปนามรูปก่อเกิดอายต น, นะ6อายตนะหกก่อเกิดภาษาภาษาก่อเกิดเวทนาตัวกลางเลยใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าเรากำหนดรู้สึกตัวปับ๊บขึ้นมาเนี่ยรู้สึกตัวปับ๊บแล้วไม่หลงเข้าไปเวทนาดูเวทนาเป็นสักว่าเวทนาไม่ใช่เราเนี่ยสติมันก็ตัดตรงนั้นเลยตัดตรงเวทนาเลยแต่ถ้าหากว่สติม า, าไม่ทันเวทนานะข้ามแดนเวทนาไปเป็นอะไร เป็นความอยากตัณหาอุปทานชาติภพชรามรณะไปครบ12วงเลยและปฏิจจสุบาทเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นตัวเชื่อมกลางจะเชื่อมระหว่างอาวิชชาไปสู่ตัณหาเนี่ยมันจะต้องมีเวทนาเป็นตัวผ่านแต่ถ้าเราจเจริญสติให้เข้มแข็งเนี่ยพอมีอะไรมากระทบปั๊บเนี่ยรู้ว่าเออมันเป็นเวทนานะไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสติมาตรฐ น, นตัณหาอุปทานไม่เกิดแต่เราไปคิดโอ้อาหารชาวนี้ชอบกินได้เยอะเลยอิม่ม ปฏิบัติหง่วงน่าดูเลยเป็นตันหาอุปทานเรียบร้อยไว้แล้วนะที่เราทุกข์เราทุกข์เพราะ่าเราไปยึดเวทนาไปหลงเวทนากินอาหารอร่อยอิ่มเป็นโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างเพราะเราหลงเวทนากินมากกินน้อยอ้วนเป็นโรคภัยไข้เจ็บพ่อเราไปหลงเวทนากินไปเยอะพอกินไปเยอะแล้วมันก็ไปเกิดพิษดิพ่ะเราเพราะกาลังที่กินเข้าไปมันเหลือพอเหลือแล้วมันก็ทําลายตัวมันเอง แต่ชาวลร่ชาวนาสมัยก่อนเขาไม่เป็นโครคไขข้อเจบพ อ, อะไรเพราะเขากินพอดีแล้วก็ไปใช้กําลังให้มันหมดแต่คนทุกวันกินดีอยู่ดีแต่ว่าทำงานน้อยเมื่อทํางานน้อยไอ้ power energy มันเหลือมันก็ไปทําร้ายเราเองก็เป็นโครคไข้อเจ็บเยอะแยะเลยเนี่ยเพราะเวทนาแท้ที่ทําให้เราเป็นโครคไขข้อเจ็บแต่ถ้าเรารู้รันทันเวทนา อ, อาหารเนี่ยอร่อยกินซะหน่อยหนึ่งใช่ไหมแต่อาหารเนี่ยอร่อยกินสักสาจานอย่างงีนะ้มันก็เวทนาก็เล่นงานมันยังเข้าขอให้เราทั้ง ทางกายและจิตเ <c> น <oughs> ี่ยเราเวทนาที่เหลือก <c oughs> นาไปสู่อะไรนำไปสู่ราคาคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะราคากันใช่ไม <c oughs> เป็นเอ็ดทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งโลกเลยยังไง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเวทนาเนี่ยโอ้โหถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าทันนะอันตรายมากเลยดังนั้นเองเราจึงสวดเวทนาขึ้นมาเพื่อจะเห็นรายละเอียดของมัน ถ้าหากว่าเรามีสติปัญญารู้เท่าทันเวทนาที่มากระทบนะแล้วก็เปลี่ยนเวทนาทันทีเวทนาก็กลายเป็นอะไรเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นวิปัสนาญาณทันทีถ้าใครรู้เท่าทันเวทนาหนาวเวทนาร้อนแล้วไม่เข้าไปในเวทนาคนนั้นก็จะสบายนะไม่ ไม่ตกเป็นาธาตุของราคะไม่ตกเป็นาธาตุของโทสะไม่ตกเป็นาธาตุของโมหะเพอนั้นเราก็เจริญสติให้มากตามให้ทันเลยระหว่างที่ว่ามันไม่รู้สึกตัวปั๊บเนี่ยอย่างน้อยก็อย่าให้มันมาทะลุเวทนามาตามเวทนาตึกเนี่ยรู้ทันแล้วอ๋ออันนี้สุขเวทนานี้ทุกขเวทนาแต่ส่วนใหญ่มันวิ่งไวมากอะ่ะพอไม่รู้สึกตัวปับ๊บเกิดอวิชชาดันหาอวิธานเลยเพราะสติเราตามไม่ทัน <c oughs> ดูนะ อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปภาษาเวทนาเป็นตัวที่6เพราไปดีบัติสิบเ1็ดหรืใช่ไหมเขาเวทนาไว้ตรงกลางเลยเพร่อมันเป็นสะพานผ่านจากรูปไปหานามเวทนาเป็นสะพานถ้าหากว่าเราตามไม่ทันที่อวิชชาสติก็มาไม่ทันพอไปเป็นสังขารสติก็ตามไม่ทัน พอความไม่รู้ทะลุถึงวิญญาณสติก็ยังตามไม่ทันพราความไม่รู้ทะลุถึงอายตนะหสติก็ยังตามไม่ทันทะลุไปถึงภัยสัสติก็ยังตามไม่ทันเสร็จเลยทีนี้ข้ามเวทนาพวกเข้าแดนของตัณหาทันทีเลยกลายเป็นราคะโทสะโมหะกลายเป็นกามตัณหาเพราะว่าตัณหาวิ่งพราวตัณหาไปทันทีแล้ววุฒิานก็ตามมาเนี่ยเราจะเห็นว่า การที่เราปฏิบัติถ้าหากเรารู้จักเวทนาแล้วมันเป็นของง่ายง่ายหยาบหยาบสัมผัสได้ใช่ไหมรออ้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจบ็บปวดพวกเนี้ยเป็นเวทนาทีนี้เวทนาในกายส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาดูไหมสังเกต ม, มันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ท<อ>ุกข์นะแต่สุขเป็นไงนี้เดียวใช่ไหมที่เรานั่งนในแช่แช่นั่งพอพลิกไปรู้สึกสบายหน่อยอ่ะแป๊บเดียว ทุกอีกแล้วนะทุกร้อนทุกหนาวทุกปวดทุกเบื่อทุกหม่งทุกเงาทุกคิดทุกโสดาพัตมันก็เลยเป็นข้อมูลที่เราจะแปลสภาพถ้าเราแปลสภาพทุกเวทนาเหล่านี้ให้ทันเวทนาเหล่านี้มันก็เป็นกําลังแห่งแสงสว่างทางปัญญาเพราะฉนั้นภาษาริบุทึงมีปัญญามากไงเพราะเพราะท่านแปลไอ้ตัวเวทนาทั้งหลายให้เป็นแสงสว่างได้ทันที เพราะั้นจะพูดอะไรเนี่ยทะลปุปูปลงไปหมดเพราะท่านเห็นเวทนาแต่ถ้าเราทั้งหลายในสติปัญญาที่ฝึกมามันยังน้อยเวทนาลากดึงไปสู่ตัณหาอวาทานเป็นส่วนใหญ่แต่นั้นวิธีการของโคดิเออร์เลยถึงทําน้อยไม่ได้พราะทำน้อยแล้วสติมันไม่พอแล้วมันเวทนาไปกินหมดเวทนาเราไปสําคัญเวทนาว่าเป็นเราโอ้ยนั่งหน่อยก็หนาวโอ้ยนั่งหน่อยก็ร้อน วิ่งไิ่งมาร้อนเก็เปิดพัดลมร้อนก็เปิดแอร์อยู่งั้นนะ่ะมันค่อยสิ้นเปลืองเยอะแยะเลยใช่ไหมคนเป็นธาตุของสุขเวทนาร้อนก็ทนไม่ได้หนาวก็ต้องเปิด h ี a กันอ่าร้อนก็เปิดแอร์กันโอ้เสียค่าอี a t ค่าแอร์พัดลมในฤดูหน้าร้อนร้อ น, อนหนึ่งโลหัวไม่รู้กี่ร้อยกี่พันบาทต่อเดือนเห็นไหมเพราะฉะนั้นในการที่เราต่อทนต่อเวทนาไม่ได้นี่แหละมันก็ให้เกิดสูญเสียหลายอย่าง อาหารที่เราปรุงเพื่ออะไรเพื่อตอบสนองตอบเวทนาของเราให้มันอร่อยใช่ไหมแต่ตามปกติแล้วเราไม่ปรุงก็ได้แต่ว่าก็ไม่อร่อยอย่างว่าเพราะฉะนั้นต่อไปนักปฏิบัติธรรมของเราแนวโน้มที่จะให้เวทนาเบาวางนะต้องทำถ้าเวทนายังหนักหน่วงอยู่นะเวทนาเช่นร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นคนป่วย โดยว่าตะสงสารอยู่แล้วเนี่ยเราไปบังคับให้เขานั่งจนเจ็บจนป่วยหนักเข้าไปอีกเนี่ยเขาเรียกว่าถือว่าซ้ําเติมคนป่วยคนไหนปฏิบัติแบบบีบคั้นเวทนามากๆถือว่าซ้ําเติมคนป่วยเป็นลักษณะซาดิสไปเลยนะบางคนเอานั่งให้มันทะลุเลยว่างันนะ้นนั่งให้มันจนหยุดไปเลยโหชาแล้วชาอีกมันก็ยังไม่ทะลุอยู่เนี่ยนะีอันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติแบบซาดิสนะว่าคือรุนแรงกับตัวเองไวโอเลตตัวเอง เบียดเบียนตัวเองนะเวทนาเราต้องบำบัดไม่ใช่ทีทิ่ที่เราจะต้องไปมาบังคับให้มันเป็นขันติหลวงพ่อเรานั่งเราก็เปลี่ยนไปบ่อยๆเราจะเอาขันติมาแต่โอ้เรื่องคุณจะต้องทนมันเยอะแยะแล้วคุณไม่ต้องมาทนกับเรื่องนี้หรอกเขาด่าว่าคุณคุณไม่โกรธนะคุณทนดูสิเขาตําหนิติสินคุณคุณไม่คิดฟุ้งซ่านมากก็ทนไว้สิอ่า มีเวทนาที่จะทนเยอะแยะเลยไอเวทนาที่บังคับร่างกายมันปวดเราไปทนมันไม่ต้องไปทำหรอกเบียดเบียนตัวเองก็เรื่องที่จะทนมีเยอะแยะนะความง่วงมาเนี่ยทนมันไหวไหมความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยทนมันไหวไหมราคาครอบงำเนี่ยทนมันไหวไหมโทสะครอบงำเนี่ยทนมันไหวไหมโมหะครอบงำอยากไปอยากกินอยากเล่นอยากสนุกเนี่ยทนมันไหวไหมเอาไปใช้แบบนั้นอดทนน่ะ นะอย่าไปบีบคั้นร่างกายไปบีบแกะเอาน้ํามันได้ไงร่างกายเราก็พังเท่านั้นเองท่านบอกให้บําบัดมันถ้าหากว่าเราไปเอาร่างกายมาเป็นมาตรฐานฝึกจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทํามาเกือบตายแล้วบรรลุทาไม่ได้นะทรมานกายทุกอย่างนะทรมานที่ท่านพูดถึงเรื่องบําเพ็ญทุกขลักริริยาก็บรรลุทําไม่ได้ท่านทํามาหมดท่านบอกไม่ต้องไปทําเป็นการทําลายตัวเอง แต่ว่าเราจะทําให้เวทนาเบาบางอย่าให้เวทนาบีบคั้นตัวเองแต่ว่าเราต้องไปบีบคั้นกิเลสนุนไม่ต้องไปบีบคั้นกายให้มันลำบากบีบคั้นกิเลสให้มันออกจากใจให้ได้ใจที่ของเราที่มันคิดปรุงแต่งเรื่องโน้นบีบให้มันออกตรงนั้นบอกว่านั่นแหละไปบีบคั้นไอ้ตัวนั้นไปบีบคั้นกิเลสไม่ต้องไปบีบคั้นร่างกายดังนั้นเองในวิธีการของพระพุทธเจ้าท่านจึงใช้ตัวเวทนาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปัญญา แต่ว่านักสมถะทั้งหลายใช้เวทนาเผาขานตัวเองนะทรมานตัวเองซึ่งมันไม่ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้านะันเป็นวิธีของลือีชีพรามณ์ซึ่งพวกพุทธองค์ทำมาก่อนแล้วนะฮะแต่ท่านมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนวิธีมาเอาแบบสบายแล้วพวกปัญจาว่าคีดทั้ง5เป็นไงหอบกดหอบบาดนี้เลยโอ้สมณะผงไม่ไหวแล้วคงจะ ขายความเพียรเวียนมาความมากๆไปพวกเหล่านี้จากอุลุเวลาเสนานี่โคงพากันหนีไปอยู่น่นป่าอีสีปน้ามฤกทยเยวันพระองค์ก็ทิ้งพระองค์อยู่คนเดียวสิเพอทั้งห้าท่านนี้ไปทํานายผู้ดีจ้าว่ะตั้งแต่สมัยเกิดเป็นเจ้าชายดีแทะเล็กๆอ่ะทั้งปัญจวัคคีทั้งห้านี่ก็คือลูกหลานของพระมหโมโธท่านนี้ต้องดับลูทําเป็นศาสดาอของโลกแน่นอนเวลาท่านออกบทเวลาตามมาเลยนะสั่งเอาไว้ แต่มีคุณทยาพามหนุ่มสมัยนั้นนะพอพระพุทธเจ้าอายุสาห้าคุณทยะ ก, ก็ปาป่าไปทั้งเจ็ดสิบแล้วท่านก็ยังทันอยู่น่ะก็ตามบ อ, อกบวชอ้อนเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าละความเพียรแบบบําเพ็ญทุกฤษธรรมทำร้ย า, า, ายตัวเองโอ้เลิกไม่ใช่ทางสายกลางพวกเป็นยุวครีตห้าก็พาขันหนีเลยหนีไปอยู่ไปอีสิพอพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยลําพังพระองค์เองก็เลยได้สงบสงัดได้พิจารณาที่ว่ามาวันก่อนพิจารณากาย โอกายนี่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดกิเลส น, นะใจนี่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดกิเลส น, นะกายกับใจมันก็ดีๆของมันเน่ยแต่การที่เราไม่เห็นสิ่งที่มากระทบกายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราไม่ทันตรงนั้นต่างหากกายก็ไม่เป็นพิษใจก็ไม่เป็นโทษมันไม่มีกิเลสมาก่อนเราไปหลงทรมานมันทําไมดูสิ่งที่ <c oughs> ที่กระทบแล้วมันเกิด อนี่ก็คือสมมุติกายอันนี้ใจกระทบกันเสียงก็ไม่ได้มีมาก่อนพอมันกระทบกันเกิดเสียงเนี่ยรู้ไม่ว่าเสียงมันเกิดอย่างไรมันหายไปที่ไหนตามดูตัวนั้นอ๋อไอ้ตัวนี้เองความจริงเสียงมันเกิดแล้วมันก็จบไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเสียงมันดังกล้องอยู่ที่ไหนกล้องในใจของเราตัวนั้นเป็นอะไรสัญญาสังขารวิญญาณเอามาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมเสียงมันจบไปตั้งนานแล้วเสียงเขาด่าจบวันนั้นน่ะเออ มึงว่ากูมึงว่ากูแต่คือยังเสียงก็จบไปดังนั้นแ่ะใช่ไหมมึงว่ากูทําไมมาคีดอยู่ทั้งวันทั้งคืนมาเครียดมาโขดมาโกรธมาแค้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนจานนั่งเสียงจาหนีหรือเสียงที่เขาว่าด้วยความไม่เข้าใจมันจบไปแล้วพูดแล้วก็จบไปแล้วแต่เราเวทนาของเราไม่ยังคุนอยู่อันนี้ท่านก็มาเห็นอ้จุดนี้เองเมื่อสิ่งมากระทบแล้วเราลืมกําหนด เราหมดจะไปวิ่งตามเสียงที่กระทบเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเสียงที่มากระทบเป็นเราอ๋อตรงนี้เองตรงนี้แหละพระองค์ตามติดเลยเห็นเห็นรูปกับนามเห็นรูปเสียงขีดลดภายนอกมากระทบกับกายตามหูชมูลิ้นกายใจกระทบแล้วก็ให้เกิดอะไรเข้าไปดูตรงนั้นคิเลสมันเกิดตรงนั้นเองท่านก็ไปจัดการเลยที่นี้อ๋ออุทานเลยที่นี้อุทาน ว่าเมื่อใดนักปฏิบัติมีสติปัญญาเพียนเพ่งอยู่เพี้ยนเพ่งอะไรเพียนเพ่ง ร, รูปกับน้ำเมื่อนั้นทำทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่ถามนั้นว่านักปฏิบัตินั้นว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดเพราะมีเหตุ ได้สิ่งนั้นมันก็จะดับไปเพราะการดับของเหตุปัจจัยแล้วก็อันที่3นั่นบอกเมื่อมารู้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุเมื่อเหตุมันดับไปแล้วทุกอย่างมันก็จบแต่เราไปสําคัญมั่นหมายสิ่งที่มันเกิดจากเหตุนั้นว่าเป็นเรามันจึงเป็นอวิชชาดันหาประทานตามมาแต่เมื่อเราไม่สําคัญมั่นหมายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทบว่าเป็นเรามันเป็นแเพียงความรู้สึก แล้วไม่เข้าไปสำคัญมั่นหมายเสียก็อะไรก็ไม่เกิดหายสงสัยท่านบอกว่านั่นนะ่ะแสงสว่างก็เกิดขึ้นขเขาเรียกเป็นปฐมโอทานนในคาถานี้นะแล้วในขณะที่ท่านบำเพ็ญเนี่ยก็ปรากฏว่าวันก่อนเอามาถึงพูดถึงฌานปุเพนิวายานุสติยานเกิดเห็นรูปนามเกิดขึ้นแล้วก็สาวย้อนกลับคืนไป ว่ารูปน้ํานี้เกิมดกมาได้อย่างไรรูปเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อนามนาเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็นามของพ่อแม่พ่อแม่ไปเห็นกันชอบกันมันเกิดชอบชอบตรงนั้นสุขเวทนาะแล้วก็สุขเวทนานี่พ่อแม่ก็ทนสุขเวทนานไม่ได้ก็กลายมามีเราเป็นรูปและรูปอันนี้ก็เส ว, วิบากกรรมต่อมาเพราะฉะนั้นเกิดรูปออกมาก็กลายเป็นวิบากขันของทุกข์ของพ่อของแม่นั่นเองพ่อเม่อแม่มี รูปเสียงกินลดมากระทบแล้วเกิดสุขเวทนาทุกเวทนาไม่สามารถจะทนอยู่ได้ก็ก่อให้เกิดรูปเราเป็นผลพวงแห่งทุกข์นะและทุกข์อันนี้ก็จะเสวยกรรมต่อไปเราจะต้องทนเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งตึงทนเลี้ยงทนดูร่างกายอันนี้ไปไม่รู้ว่าอยู่นานเท่าไหร่แล้วก็บางทีเผอสร้างทุกข์ขึ้นมาอีกหลายรูปหลายนามใช่ไหมนี่ที่เราสร้างกันมาเพราะอะไรเพราะเวทนาแท้ สำคัญมันหมายเวทนาว่าเร า, เราเป็นชายเราเป็นหญิงเราเป็นสุขเราเป็นทุกข์แล้วก็ทําให้เราต้องไปสวยวิบากขนันนั้นเห็นไหมเรื่องใหญ่มากเลยเวทนาแต่เราไม่รู้เท่าทันดังนั้นการที่ยังไม่ต้องเอามากแค่รู้เท่าทันลดอาหารก็พอใจแล้วเหมือนนนะแค่ลดอาหารเรายังรู้ไม่ทันมันเลยใช่ไหมไม่ต้องไปรู้ด้วยว่าเราไปเห็นแล้ว อชอบดูไม่ชอบโอ้เข้าออกอย่างนี้ไ ป, ไปไปเข้าร้านอลังการเลยซื้อใหญ่แล้วนะมันก็เลยคนก็ยากจนเพราะเวทนาคนเป็นทุกข์ก็เวทนาเพราะไม่ทันเวทนาด้วยสาเหตุตรงนี้เองพระสารีบุตรก็เลยโู้ปัญญาเกิดมหาศาลเลยกําหนดรูเดร้เวทนาพุทธเจ้าตรัสเวทนาปริาหาสูตรสนทนากันระหว่างลุงภาษาลิบุตรนี่แหละวันนั้นก็เลยมีคนบรรลุธรรม คนหนึ่งได้ดวงตาเห็นธรรมคือทีคานคะอคิเวศนก ค, คนหนึ่งได้บุญเวพระรหันต์สุระนภส า, า, า, า, า, า, า, าดิบุตรในธรรมเทศนาการ น, นั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องเวทนาเป็นเรื่องสําคัญเราก็บําบัดมันไปเรื่อยๆเวทนานี้ต้องบําบัดแต่ว่าจะกําจัดให้มันเด็ดขาดมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นวิบากขันธ์ที่เราได้รับมาจากบรรพบรุษแต่การที่จะป้องกันไม่ให้ทุกเวทนาของกายไหมถ้าลู้ถึงจิตนั้นได้อยู่ เวทนาของจิตเนี่ยสามารถบำบัดได้เด็ดขาดได้เพราะมันเป็นนามแต่เวทนาที่มันเป็นรูปเนี่ยบำบัดเด็ดขาดไม่ได้เพราะรูปเป็นวิบากขันจะต้องเสวยสุขทุกข์ปัจจนตายนะเมื่อเรารู้ก่องเวทนาอย่างนี้ปั๊บแล้วเราก็ไม่กลัวเวทนาละกินอาหารไม่อร่อยเราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปนอนไม่หลับเราก็ไม่ทุกข์อีกต่อไปเพราะเพียงเพียงเวทนาแล้วก็ดูเวทนาไปเรื่อยๆนอนปั๊บเนี่ย ปวดตรงนั features, them, the ้นค the really ันตรงนี้แสบตรงนั้นปวดตรงนี้ขัดตรงนี้ยออรูนไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่อยากรู้นะเราหาเรื่องอื่นมาคิดแทนมันก็รียนอนไม่หลับใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องเวทนาเข้าใจไหมใครบ้างที่ยังไม่เข้าใจยกมือขึ้นจะได้เทศต่ออีกสักกันหนึ่งขอต่อีกันขอต่อกันโอ้มีเหมือนกันนะ ไม่ได้หมดเสียงแล้วก็ขออนุทนาสาธุความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้ทะลุปู่ป่งจงสามารถเปลี่ยนแปลงเวทนาให้เป็นปัญญาแสงสว่างทางธรรมได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิด